สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเปียสุตอนที่สามร้อยยี่สิบสี่เรื่องคำอธิษฐานของเปียครั้งที่เก้าสิเก้าครับพี่น้องครับเรามาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับอีกสองวันเท่านั้นก็จะหมดเกี่ยวกับเรื่องคำอธิษฐานของเปียเราอยู่ในคำถวายพระพรซึ่งพูดถึงเรื่องของคำถวายพระพรที่เปียได้ทรงตรัสสอนเรา ในการอธิษฐานว่าเหตุว่าราชสำนากฤทธิเดแชพัชริเป็นของโปรง่งที่น้องครับเรารู้ความจริงสามประการเกี่ยวกับพระเจ้าจากคําถวายพ้อ พ, อพอนะครับเกี่ยวกับพระจัมพ์นาเกี่ยวกับรทธิเดชและเกี่ยวกับพัชริในวันนี้จะไปถึงความจริงอีกสามประการครับหลังคํำอธิษฐานของพระเยซูเราจะต้องมีความเชื่อความหวังและคําสรรเสริญ น, นะครับผมทวนอีกครั้งนะครับ ความจริงสามประการหลังการอธิษฐานคําอธิษฐานของพระเยซูนั่นก็มีหนึ่งความเชื่อสองความหวังและสามคสรรเสริญเราจะมาเริ่มต้นดูที่ความเชื่อก่อนนะครับความเชื่อนี้ก็คือความเชื่อที่ว่าพระเจ้าจะทรงต่อบคาอธิษฐานอย่างแน่นอนคําอธิษฐานที่บอกว่าราชอำนาจเป็นของพระองค์เป็นข้อความเกี่ยวกับการยอมรับอานาจการปกครองของพระเจ้าในโลกนี้ แสดงออกถึงความเชื่อของเราว่าพระองค์จะมีแผนการทรงมีแผนการที่จะตอบคําอธิษฐานทูลของของเราเราพึ่งหลักการของพระเจ้าเพื่อทําให้คำอธิษฐานของเราสําเร็จเพราะความเชื่อนี่แหละครับคือการไว้วางใจในพระเจ้าเราสรุปคําอธิษฐานของเราด้วยการแสดงออกถึงความไว้วางใจพระองค์อย่างเต็มที่ครับพี่น้องเราสรุปคําอธิษฐานของเราด้วยการแสดงออกถึงความไว้วางใจพรงอย่างเต็มที่เพื่อ ให้พระองค์ประทานสิ่งที่จําเป็นให้กับเราเมื่อเรามีความจําเป็นในแบบที่เราจําเป็นเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำํำริษฐานของเราอย่างแน่นอนนี่คือความเชื่อครับคำํำริษฐานของเราที่บอกว่าฤทธิเดชนั้นเป็นของพระองค์ก็เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อในความสามารถที่พระเจ้าจะประทานตามคําทูลของของเราแลาละคนเชื่อในพระเจ้านะครับและรู้ว่าพระเจ้าทําการในอดีตแต่ เขามักจะไม่แน่ใจว่าพระองค์จะทรงกระทําอะไรได้เดี๋ยวนี้หรือในอนาคตรหรือเปล่าพี่น้องครับเวลาที่เราหลับตาที่ฐานนะแล้วแอบเปิดตาดูว่าพระองค์เป็นยังไงหรือพระองค์ทําอะไรบ้างเราต้องการช่วยพระเจ้าเหมือนกับว่าพระเจ้านั้นไม่สามารถตอบโดยพระองค์เองได้พี่น้องครับนี่คือเอภาพของคนที่มีความเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหรือไม่เชื่อเต็มที่นะครับ แต่เมื่อเราอธิษฐานว่าฤทธิเดชเป็นของพระองค์เราจะต้องมีความเชื่อครับว่าเรากําลังบอกทูลกับพระเจ้าว่าข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์สามารถทําการด้วยพระองค์เองได้เพราะฤทธิเดชนั้นเป็นของพระองค์เห็นไหมครับพี่น้องครับสองสองอย่างไปแล้วนะครับอย่างที่สามก็คือเมื่อเราอธิษฐานว่าขอพระสริเป็นของพระองค์พระสิรินั้นคืออะไรครับพระสรินั้นก็คือเกียรติยศนะครับแสดงว่า เรากําลังอธิษฐานด้วยความเชื่อเรายืนยันว่าคําตอบสําหรับคําอธิษฐานทูลของเรากําลังจะมาถึงครับเพราะว่าจะทําให้พระเจ้าได้รับเกียรติจะเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในที่สุดเพราะฉะนั้นเราจรึงสรรเสริญพระเจ้าสําหรับคําตอบก่อนที่คําตอบจะปรากฏอีกพี่น้องครับเหมือนกับเด็กเล็กพูดว่าคุณพ่อครับผมขอขนมกินได้ไหมครับคุณพ่อก็ก่อนที่จะยื่น ของให้นะครับเด็กคนนี้รีบกล่าวคําว่าขอบคุณคุณพ่อพี่น้องครับขอบคุณคุณพ่อก่อนที่จะรับขนมจากคุณพ่อแสดงว่าเขากําลังขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับคําตอบที่จะมาถึงขอบพระคุณก่อนที่คําตอบจะมาถึงพี่น้องครับอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทํากันใช่ไหมครับพี่น้องเราอาจจะต้องนั่งฝึกนะครับที่เราจะอธิษฐานขอบพระคุณล่วงหน้าก่อนที่คําตอบจะมาถึงเพราะเรารู้ว่า แม้ว่าคาตอบจะมาถึงในลักษณะที่เราอยากให้มันเป็นหรือไม่อยากให้มันเป็นก็ตามเราขอบคุณล่วงหน้าเสมอครับพี่น้องอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเชื่อในรากอำนาจเชื่อในฤทธิเดชเชื่อในพระสิริต่อไปจะกล่าวถึงความหวังครับเมื่อเราพูดถึงความหวังแสดงว่าเรากำลังมั่นใจนะครับในอนาคตที่พระเจ้าตั้งให้กับเรา นะครับเรามั่นใจว่าครับเรามั่นใจว่าอนาคตที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแน่อนาคตเราจะสดใสนะครับเวลาที่เราอธิษฐานว่ารากํานาจเป็นของพระองค์เป็นผู้สร้างความหวังครับพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างความหวังคําอธิษฐานของเราควรจะทําให้เราเกิดความหวังครับหวังใจในพระเจ้าหวังใจในการทรงเรียกนะครับหวังใจใน การทํางานการดําเนินภารกิจของพระองค์ในชีวิตของเราหวังใจในอนาคตหวังใจและมั่นใจครับความเชื่อนั้นคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไวพี่น้องครับความหวังนั้นเปรียบเสมือนกับเป็นยาครับเป็นยารักษาโรคสําหรับผู้ที่หดหู่สาหรับผู้ที่ท้อใจสําหรับผู้ที่เหน็ดเหนื่อยมีคนกล่าวครับว่าความหวังนั้นเป็นยาแอสไพริน สำหรับวิญญาณของผู้ที่เจ็บปวดผู้ที่ทนทุกข์ผู้ที่เป็นโรคท้อใจเรื้อรังพี่น้องครับพี่น้องเคยเป็นไหมครับโรคนี้โรคท้อใจเรื้อรังนะครับหรือโรคเบิร์นเอาท์นะครับพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้ราชสำนักเป็นของพระองค์เราแสดงความหวังในการครอบครองและการปกครองของพระเจ้าแม้ว่าแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งมาตั้งอยู่นั้นยัง ไม่เป็นเหมือนกับแผ่นดินสวรรค์แต่เรากําลังทูลขอด้วยความหวังว่าขอให้แผ่นดินสวรรค์ น, นั้นมาตั้งอยู่โลกนี้เรากําลังทูลขอแล้วกาลังสรรเสริญพระเจ้าว่าราชอำนาจนั้นเป็นของพระองค์การปกครองนั <painting S 2> ้น <painting White illa> เป็นของพรงะองค์การครอบครองนั้นเป็นของพระองค์เรากำลังทูลพระเจ้าว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งนะครับเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วย<ใ Driver>คนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง ความหวังของเรานะครับจะเติบโตเมื่อเราอิฐานอย่างจริงจังและจริงใจครับวาริเดตนั้นเป็นของพระองค์เราไม่ได้มองหาคําตอบที่มาจากความสามารถของเราแต่เรากําลังแสวงหาคําตอบรอคอยคาตอบที่มาจากพระเจ้าศักยภาพความสามารถของพระเจ้าไม่ใช่ของเราครับเมื่อทีมฟุตบอลนั้นจะต้องแข่ ง, ขงกับทีมที่เก่งกว่าพี่น้องครับเรามักจะเห็นนะครับว่านักเตะนั้นมักจะสูญเสียความหวังครับ เพราะาอะไรครับเหมือนกับว่าหวังน้อยนะครับเล่นยังไงก็คงจะแพ้อยู่แล้วหละนะครับเหมือนกับฟุตบอลที่เล่นเมื่อคืนนะครับการเล่นที่ย่ำแย่มาคู่กับการหมดหวังครับดังนั้นเมื่อทีมฟุตบอลนั้นขาดความหวังทีมมักจะคิดว่าแพ้นะครับคือแพ้ตั้งแต่อยู่ในม้งแล้ครับพี่น้องนี่คือความหวังครับเพียงคำอธิษฐานเดียวนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ เพิ่มความหวังเราได้เมื่อเราเอธิายว่าราชกําหน้านั้นเป็นของโปรงนะครับความหวังเมื่อนักเตะคนเก่งกลับลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งหรือเป็นตัวยิงที่เคยนําชัยชนะมากลับลงเล่นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือคนที่มีความสามารถกลับลงมาเล่นได้ครั้งหนึ่งผู้เล่นที่กําลังหมดหวังก็ประเดงครับก็รู้สึกว่าได้กําลังใจนะครับจุดประกายความหวังได้มักจะทําให้ผู้เล่นคนอื่นทําได้ดีเนื้อกว่ารรมดาธรรมดาและก็ทําได้เกินความสามารถ ของเขาด้วยพี่น้องครับอันนี้คือเรื่องจริงครับเป็นกําลังใจอย่างแท้จริงความหวังนั้นเป็นกําลังใจจุดประกายนะครับจุดประกายเมื่อเราทูลพระเจ้าอย่างจริงใจว่าบิดเด็ดเป็นของโปร่งนั้นเรากําลังรื้อฟื้นความหวังของเราไม่ใช่เฉพาะในพระเจ้านะครับแต่รื้อฟื้นความหลังความหวังของเราในตัวของเราด้วยนะครับเมื่อความหวังถูกรู้ฟื้นรือฟื้นขึ้นนะครับเราก็จะทํางานหนักขึ้น เราได้ผลมากขึ้นครับและมีชัชนะฝ่ายวิญญาณเกินความสามารถของเราพี่น้องครับหลายคนนะครับติดกับดักอยู่ในคอมฟอร์ทโซนตัวเองเพราะอะไรครับเพราะว่าทำไปแค่เท่านั้นนะครับไม่ค่อยมีหวังอะไรในการที่จะเจริญก้าวหน้านะครับในแคริเร์พาของตัวเองนะครับโรคนี้มักจะเป็นกับผู้รับใช้พระเจ้าหรือมักจะเป็นกับคนที่ทำงานจาเจซ้าซากนะครับไม่มีความหวังพี่น้องครับเราจะทางานหนักขึ้นได้ เราจะได้ผลมากขึ้นได้เราจะมีชัยชนะฝ่ายวิญญาณเกินความสามารถของเราเพียงแต่เรามีความหวังนะครับความหวังนั้นเกิดจากความเชื่อที่ว่าพระเจ้าสามารถทําอะไรนะครับได้ทั้งหมดและจะกราทำอะไรนะครับก็ได้ในอนาคตความหวังนั้นปลดปล่อยเราครับออกจากความท้อแท้ความสิ้นหวังความหวังนั้นปลดปล่อยเรานะครับให้เรามีความเชื่อเราใช้ความเชื่อและความสามารถของเราอย่างเต็มศักดิภาพครับอย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆ และสามารถที่จะให้พระเจ้าทำกิจในขนาดของพระองค์เองพี่น้องครับพระเจ้าจะไม่ทำกิจนะครับในขนาดของเราหรือว่าเรานั้นกำลังจำกัดนะครับขนาดของพระราชกิจของพระองค์พี่น้องครับเราจะต้องทำลายสิ่งที่เราไม่เชื่อด้วยความเชื่อและความหวังพระเจ้าก็จะสามารถทำพระราชกิจในขนาดของพระเจ้าได้นะครับในไซส์ของพระเจ้าได้ พี่น้องครับนี่เป็นเรื่องที่ทําให้หลายจะต้องกลับมาดูชีวิตของเรานะครับว่าเรานั้นมีความหวังจริงๆหรือเปล่าแต่ความหวังที่เรามีนั้นช่วยเราได้จริงหรือเปล่าและความหวังที่เรามีนั้นเป็นขนาดความหวังที่จะปลดปล่อยพระราชกิจของพระเจ้าปลดปล่อยพลังอํานาจริเด็ดของพระเจ้าและศักยภาพของพระเจ้าอย่างเต็มที่จริงๆหรือเปล่าขอเจ้าช่วยเรานะครับพี่น้องครับอาจารย์เปาโลนะครับ ผมจะจบวันนี้ก็คืออยากจะยกหนึ่งโครินโมที่สาข้อ9้าบอกว่าเราทั้งหลายร่วมกันทํางานเพื่อพระเจ้าเราต้องโดยการพึ่งพาพระเจ้าเราจะต้องให้ความหวังกับกันและกันนะครับให้ความหวังแก่กันและกันพึ่งในพระเจ้าและจะปฏิบัตินะครับพระเจ้ายัางเข้มแข็งนะครับนี่เป็นคําอธิษฐานของผมที่มีให้กับตัวเองและกับพี่น้องทุกๆ ท, ท่านอาเมน